โกรตะเนี่ยนะโกริตะเป็นชื่อของพระโมคคัลลานะว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งคูบลังตั้งกายตรงมีกายคตาสติอันตั้งไว้แล้วในภายในอันนี้หมายถึงว่าเจริญกรรมฐานภายในจริงๆก็คือเจริญกายคตาสติเนี่ยนะ อยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงมีกายยขตาสติอันตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่ในที่ไม่ไกลจเจริญกรรมฐานภายในตัวเนี่ยนะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุเข้าไปตั้งกายยตาสติไว้แลสารวมแลในภาษา ย, ยตนะหก คือจกักขูสัมผัสเป็นต้นนี่นะมีจิตตั้งมั่นแล้วเนืองเนืองพึงรู้นิพพานของตนอันนี้นิพพานของตนนะนิพพานามัตตโนนิพพานของตนเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปะโมคะลานะเนี่ยนะมีสติที่เป็นไปในกายสติอันเป็นไปในกายเรียกว่ากายคตายสติยา คือมีกายเป็นอารมณ์ด้วยอํานาจกายานุปัสนามันอนุปัสนาเจมีรูปประคันภายในนั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยนะเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยอนุปัสนาเจอัชตะสับเนี่ยหมายถึงว่าภายในตนเนี่ยชื่อว่าอัฉตะภายในตัวไม่ใช่เอาร่างกายคนอื่นมาพิจารณาพิจารณาร่างกายของตัวเองนั่นแหละ จึงเชื่อว่าในตนหรือในสันดานของตนคือภายในตัวจริงๆเพิ่งทราบเนื้อความของบทว่าอัจฉริยว่าโครจรัตโครจรตฉับตังเพราะท่านประสงค์เอาประชมส่วนทั้ง32มีผมเป็นต้นอันเป็นตัวกรรมฐานว่าเป็นกายในที่นี้ทั้นอารมณ์ของการเจริญกรรมฐานก็คือคือร่างกายของตัวนั่นแหละมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกตายหัวใจตับทางผือดม้าปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะปิดตังน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสร็จน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเล้วน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำเงื่อน้ำนะแล้วก็ปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาร่างกายที่มีอยู่ในภายในตัวเนี่ยนะพิจารณาร่างกายภายในตัวเนี่ยต่างจากแต่งตัวไหมเ้ ใครดูเหมือนกันได้ก็ถือว่าเกินไปแลนะ้วเนาะก็หมายคือว่าแต่งตัวก็คือเน้นว่าแต่ละแห่งจะได้งามขึ้นจะได้งามขึ้นใช่ไหมแต่ว่าการเจริญกรรมฐานปรารบภายในกายก็คือพิจารณาตามเป็นจริงของกายว่ามันจริงอย่างไรก็ดูตามเป็นจริงะนะไม่ใช่ย้อมตาสะจนตาฝ้าตาฟัาาฟางหมดแล้วก็พิจารณาไม่ใช่หมายคือว่ามันเป็นจริงอย่างไงก็ดูตามมันจริงจรงอย่างนั้นนั่นแหละ เร่ยกว่าสุปฏิทธิตายะปรากฏด้วยดีในกายอันเป็นภายในตนหรืออันเป็นอารมณ์ภายในถามว่าสติที่ท่านกล่าวว่าปรากฏด้วยดีในภายในตนเนี่ยมันคืออะไรสติที่มากําหนดภายในเนี่ยมันกําหนดยังไงตอบว่าสติอันปรากฏด้วยปรากฏในกายด้วยอํานาจอุปจาระและอัปปนาของพระโยคีผู้ยังปฏิกูลมณสิการให้เป็นไปในอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้น อันเป็นภายในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากายโดยในเป็นต้นว่าผมขนเป็นต้นมีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะอุทังตาทัตลาอะโทเกสามัตกาตะจะปริยันโตเนี่ยน ะ, ะพิจารณาการนี่แหละเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่าแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นเนี่ยนะ มันสติที่พิจารณาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยโดยอุปจาระกรรมฐานอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอันนี้แหละเรียกว่ากายคตาสติเป็นคนที่ได้รับความสุขที่มีร่างกายของตัวเองเป็นอารมณ์อันนี้เป็นสุขจริงนะเป็นสุขที่ไม่มีโทษถ้าหากว่าความสุขที่เกิดจากการตบแต่งร่างกายแล้วก็นั่งยิ้มให้กระจกอยู่นั้นแหละอันนี้ก็ความสุขจริงแต่แวเป็นความสุขที่ มีโทษเป็นสุขที่มีอมิตรเนี่ยนะเป็นสุขที่เป็นตายกับบาปและอกุศลเนี่ยนะเพราะหากว่าถ้าพิจารณาไปแล้วเห็นกาวิบัติก็เดือดร้อนใช่ไหมแต่ผู้ที่เจริญกรรมฐานพิจารณาความไม่งามของแต่ละอย่างพิจารณาจนปีติเนี่ยนะจนมีความสุขในการพิจารณาเพราะพิจารณาแล้วเกิดปีติเกิดความสุขแล้วจิตตั้งมั่นผู้ที่เจริญกรรมฐานพิจารณาความปฏิกูลในร่างกายไม่ใช่คนที่เกลียดความสุขนะ จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เกลียดความสุขแต่เป็นคนที่รังเกียจความทุกข์คนที่เจริญกรรมฐานอย่าไปคิดว่าเขานี่ใจเด็ดใจเดี่ยวเขาไม่ต้องการความสุขเลยบอกไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการความสุขที่ลึกซึ้งเพราะไอเห็นว่าความสุขจากการทําอย่างอื่นที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยมันมีโทษยิ่งกว่ามีคุณตอนต้นจะดูมีคุณหมายความว่ามีอาสาท่มีความน่ายินดีมีความน่าพอใจ แต่ว่าบ้านปลายแล้วเป็นยังไงนะจะชื่นชมได้สักนานสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากรรมฐานไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่เจริญกรรมฐานพิจารณาถึงความปฏิกูลของผมขนเล็บเป็นต้นจนเกิดอุคหานิมิตนะบริการอุขหานิมิตปฏิภาคานิมิตเอานิมิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่ง อ, อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิบุคคลเหล่านี้จะมีความสุขมีปีติที่ทราบซ่านเนี่ยนะเพราะว่า ปฏิกูลมนุิการสามารถทําให้ได้ปฐมฌานทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฐมฌานได้หมดเล ย, ยนะปะัดความปฏิกูลของผมก็ทําให้ได้ปฐมฌานฌานเนี่ยมีความสุขกการมาวาจรเทียบกันไม่ติดเทียบกันไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเป็นปีตินะประกอบด้วยองค์วิตกวิจารณ์ปีติสุขที่เกิดจากวิเวเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยบาปไม่เจือด้วยอกุศลพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่า ก, กลัวต่อ เนคคำ ม, มัสุขเหล่านี้เลยเนี่ยนะพระ อ, องค์ไม่ให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่ไม่มีภัยเนี่ยนะมันธรโมคคลลานะก็มีความสุขกับการพิจารณาพิจารณากายภายในนะก็กายคตาสตินี้ฉันใดสติอันปรากฏในกายด้วยอำนาจอุปจาระและอัปปนาตามควรของพระโยคีผู้ยังมณสิการ ให้เป็นไปด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะาอานาปานะอิริยาบทสี่และด้วยอำนาจอุทุมาตกะอสุภวินีละกะอสุภะเป็นต้นก็เรียกว่ากายคตาสติฉันนั้นแต่ว่าเจริญอาการ32สองให้ได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นเป็นการเจริญให้ได้ฌานฉันใด ก, กายานุปัสนาสติประฐาน14บัพ่พะก็ชื่อว่ากายคตาสติชันนั้นฉนั้นกายานุปัสนาก็คือกายกายานุปัสนาคือกายคตาสติคือสิ่งเดียวกันนะกายานุปัสนาคือกายคตาสติใช่ไหมมีอะไรกายานุปัสนาเนี่ยนะสิบัพ่พะก็หนึ่งอานาปานะ บ, บพะสอง อิริยบบาบถบพะสามสัมปชัญญะบพะสนั่นนะสก็ปฏิทัดปฏิกูลมนัิการธาตุมนัิการแล้วก็ป่าช้าอีกอเกี่ยวกับเรื่องปฏิกูลอีกเ้าอย่างในกายของของกายที่เป็นศพไปแล้วเนี่ยนะก็ในที่นี้กายยคตาสติภายในตนกําหนดธาตุสีมีปฐวีธาตุเป็นต้นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอาการสีมีสสัมภาระสังเขปเป็นต้นคือถ้าแยกๆย่อๆมาเนี่ยนะในกายของเราก็มีอะไรก็มีธาตุสีอันนธาตุใดที่แข่นแข็งในกายนี้เรียกว่าดินธาตุใดที่เอิบอาบเกาะกลมธาตุนั้นเรียกว่าน้ำธาตุใดที่เร่าร้อนย่อยสลายธาตุนั้นก็เป็นธาตุไฟธาตุใดที่เคร่งตึงพัดไหวอันนั้นก็เป็นธาตุลมถ้าโดยรวมๆและถ้าแยกออกมาก็มีแค่สีนี่แหละแต่ละอย่างที่มีลักษณะ เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างไปทีนี nuts, ้เอาแต่ละอย่างเนี่ยปัทวีธาต์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นอาโปธาต์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเตโชธาต์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาและวาโยธาต์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สติที่สัมปยุตด้วยวิปัสนาดังกล่าวเรียกว่ากายคตาสติกายคตาสติก็คือสติที่เกิดร่วมกับกายานุปัสนาพิจารณากายคือผมกายคือปฐวีกายคืออาโปกายคือเตโชกายคือวาโยกายคือผมกายคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อมีความสุขกับการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่เป็นกุศล เป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยเหยื่อของมารไม่เหยื่อด้วยไม่เจือด้วยเหตุแห่งวตะเนี่ยนะเป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกผู้ใดบริโภคกายคตาสติดังกล่าวผู้นั้นก็ชื่อว่าบริโภคอมตะเนี่ยนะบริโภคความไม่ตายนะบริโภคความไม่โศกนะบริโภคความไม่คร่าครวญไม่บ่นเพ้อไม่บริโภคความคับแค้นเน่นะเป็นการบริโภคความสุขที่ปราศจากอามิตรจริง นเป็นความสุขที่ไม่ต้องร้องให้ในวันหลังถ้าถ้าบริสุบริโภคมีความสุขกับการเจริญอาการ32เป็นต้นก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังแต่ถ้าเป็นความสุขที่มองว่าสวยงามเนี่ยความสุขเหล่านี้ร้องให้ในภายหลังซึ่งต่างจากความสุขที่เป็นกรรมฐานความสุขที่เป็นกรรมฐานนั้นไม่ต้องร้องให้ในภายหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เกลียดความทุกข์แล้วเป็นบุคคลที่รักความสุขมาก พันธอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านให้กําจัดออกไปความสุขเหล่านั้นเช่นกา ม, มาสุขทั้งหลายดูเหมือนดีในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนในตอนปลายไม่เหมือนกับสุขที่เป็นเนฆมะขณะที่เจริญอยู่ก็เป็นสุขผลของการเจริญเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปขณะเดียวกันก็เป็นกาเป็นบาต ท, ที่ให้บรรลุอมะตะนิพพานที่เป็นสุขที่แท้จริงด้วยพรองดีใจไหมที่พระโมคคัลลานะพิจารณาการ32ก็ดีใจสินะ บิติปราโมทเกิดเลยเอตมัถังเสื้อทรงทราบ เ, เนื้อความหรืออัถตนี้กล่าวคืออาการที่พระเทระโมคลาณนะเจริญวิปัสนาคือเจริญกายานุปัสนาสติปทานโดยการกําหนดสัจจะสคือพิจารณาอริยศาส์ทั้ง4ในธาตุสี่สอขออภัยนะคือเจริญกายานุปัสนาคือเจริญอนุปัสนาเจ็ดใน ธาตุสี่ในปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุพิจารณาธาตุสีแล้วเข้าพระสมมาบัติเลยอนุปัสนาเจดพิจารณาปัทวีธาตุเป็นอารมณ์แล้วเข้าพระสมาบัติอนุปัสนาเจดพิจารณาอาโปธาตุเป็นอารมณ์แล้วเข้าพระสมาบัติพิจารณาเตโชธาตุเป็นอารมณ์แล้วเข้าพระสมมาบัติเพราะว่าการเจริญอนุปัสนาของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นการเจริญเพื่อเข้าพระสมมาบัติเนี่ยนะ องก็ทราบมันไม่ใช่ว่าพระพระโมคคัลลานะพิจารณาอยู่เฉพาะในรูปแล้วอยู่แค่นั้นนะไม่เลยไปจนถึงเข้าพระสมาบัติโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ภาษาริบทเนี่ยพิจารณานามธรรมาแล้วเข้าพระสมาบัติพระโมคคัลลานะพิจารณารูปธรรมแล้วเข้าพระสมาบัติพระษาริบุทนั้นพิจารณาจตุทัชฌานคือนามธรรมนะจตุทัชฌานนี้เป็นนามธรรมา แล้วเข้าพร ะ, ะสมาบัติภาษาริบุตรพิจารณารูปประคันมีปัทวีเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วเข้าพร ะ, ะสมาบัติอันนี้คือความต่างกันนะผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายโดยมากเนี่ยพิจารณารูปประธรรมผู้ที่ชํานาญในพระสมาบัติทั้งหลายเป็นต้นโดยมากพิจารณานานมธรรมเพราะว่าพวกแสดงฤทธิ์อย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีผมเป็นอารมณ์ท่านก็แสดงฤทธิ์ได้มีเล็บมีฟันท่านแสดงฤทธิ์ได้หมดท่านเป็นผู้ชํานาญในเรื่องรูปประธรรมมากนะ ในเรื่องรูปประขันเพราะแสดงฤทธ์ก็คืออะไรก็คือแสดงปรากฏการณ์ของรูปประขันโดยประการต่างๆแสดงสีแสดงเสียงแสดงอะไรเป็นต้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปธรรมทั้งนั้นเลยส่วนภาษาริบุทผู้มีปัญญานี้กลุ่มนี้พิจารณานามมารำมากในคาถาที่บอกว่าเข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้วสํารวมแล้วในภาษายตนาหกมีจิตตั้งมั่นแล้วเนืองๆพึงรู้นิพพานของตน คาถานี้เป็นคาถาที่ลึกซึ้งมากอธิบายไว้สามในส า, สาวิธีนะวิธีการแสดงไว้สมวิธีการวิธีที่หนึ่งบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสติกายคตาอุปติตาที่แปลว่าสติมีดังกล่าวแล้วอะสติที่ปรากฏแล้วคือสติที่มีกายเป็นอารมณ์ทั้งสิบสี่บพะหรือมีอาการ32สองเป็นอารมณ์มีท่าสเป็นอารมณ์เนี่ย สติอันนี้ชื่อว่าละธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์เสียได้สติตัวนี้นะคือกายคตาสติเนี่ยละศัตรูได้ละค่าศึกได้เพราะถึงภาวะที่ช่วยในการทากิจของสมาธิวิริยะและปัญญาซึ่งมีศรัทธาเป็นตัวนำให้สำเร็จตามหน้าที่ของตนแต่นั้นเป็นความสละสลวยอย่างแรงทีเดียวเข้าไปกำหนดสภาวะ ที่ไม่ผิดแผกด้วยอำนาจกายสังขารเ อ, อ่อขอไกายสังบอตามที่กล่าวแล้วและด้วยอำนาจการรวมอัถาไว้เป็นอันเดียวกันตั้งอยู่ด้วยคำนี้แสดงถึงสติอันไปไปมามาอยู่กับปัญญาซึ่งกําหนดปัดจจัยทั้งหลายด้วยการกําหนดท่า4กล่าวคือกายพอกําหนดท่า4ีเสร็จก็รูปที่อาศัยท่า4ีเรียกว่าอุปาทายรูปต่อจากนั้นก็กาหนด ปัจจัยเหล่านั้นด้วย น, นะกำหนดปัจจัยเหล่านั้นด้วยแล้วก็กําหนดโดยอนิจจาลักษณะเป็นต้น น, นะสรุปตัวตั ว, ตวคุณธรรม น, นะตัวที่เจริญคืออะไรคืออินทรี่ห้านะเห็นไหมสติสมาธิวิริยะปัญญาและศรัทธาก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเดียวกันนั่นแหละคืออินทรี่ห้าหรือพระหอันนี้เป็นธรรมะที่ต้องเจริญในพุพทธพจน์ยกสติขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ยกสติขึ้นมาถ้ายกสติแล้วสมาธิวิริยะปัญญาศรัทธาก็ชื่อว่ายกมาแล้วตัวนี้คือตัวเจริญคือตัวภาเวตาปธรรมเป็นธรรมะที่ต้องอบรมต้องทําให้มีขึ้นต้องรักษาต้องเพิ่มพูนทีนี้สติเนี่ยสตินี่ชื่อว่าเป็นสมถะใช่ไหมปัญญาก็เป็นวิปัสสนาสติกับปัญญาก็ไปไปมาๆอยู่กับปัญญาเฮ้สติไปไปมาๆกับปัญญาเป็นไง ก็ประกอบกันนะ่ะนะสลับกันนั่นแหละสติเป็นสตินสีปัญญาเป็นปัญญินสีสติเป็นสติพล ะ, ระปัญญาเป็นปัญญาพละก็กำหนดธาตุสี่กำหนดธาตุสี่กำหนดว่าแยกว่านี้ปฐวีนี้อาโปนี้เตโชและนี้วายโยเนี่ยนะถ้ากาหนดธาตุสีได้แล้วสีของธาตุเหล่านี้กำหนดยากไหมสมมติถ้ากำหนดว่ากายเนี่ยเป็นที่ประชมแห่งดินน้ำไฟลม สีของดินเป็นยังไงสีของน้ำสีของไฟและสีของลมสีของธาตุดินคือผมสีของธาตุดินคือเล็บของฟันหนังเนื้อเป็นต้นก็แยกสีของสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะแยกสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเสียงธาตุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งกลิ่นก็แยกสีเสียงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งรสตัวมันเองอะนะปฐวีโพธพารมเตโชโพธพารมและวาโยโพธพารมก็แยกแยกในโพธพารมเหล่านั้น ว, นะว่ามีโอชาเป็นต้นหล่อเลี้ยงมีภาวะรูปแล้วก็รูปเหล่านี้ปฐวีธาตุเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นที่ตั้งแห่งจากขปภาษาทาตสตากานะชิวหากายและหัตยะธาตุทั้งหลายเหล่านี้มีสมุทฐาน4ประการใช่ไหมปัจจัยของรูปประคันในกายนี้ก็กรรมจิตอุตุอาหารกรรมนี้ตกแต่งให้วิจิตนะใครที่รูปร่างไม่เหมือนกันเป็นต้นก็เพราะกรรมนี้ตกแต่งให้ วิจิตสีหน้าแววตากิริยาท่าทางยืนเดินนั่งนอนก็มีจิตตกแต่งให้วิจิตอ้วนผอมเป็นต้นก็อาหารนี่ตกแต่งให้วิจิตแล้วก็อุณหภูมิภายในเป็นต้นรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคิดว่าจักยั่งยืนหรือสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเหล่านี้จักยั่งยืนหรื อ, อะนะกรรมมชรูปนี้เขาพูดกันที่อะไรรู้ได้ดูที่อะไรนะรู้เออนี่กรรมมชรูปเนี่ยเขาเข า, เขาดูจากอะไรรู้ไหมกรรมมชรูป เขาพูดแบบภาษาไทยๆเลยว่าเขาถามอายุกันอายุเท่าไหร่แล้วอันนั้นประกาศถึงว่าตัวกรรมมชรูปเนี่ยคุณหัวเราะมานานเท่าไหร่แล้วเขาไม่ถามแบบนี้หรอกอะคุณอ้วนมากี่ปีแล้วเขาก็ไม่ค่อยถามนี่แต่ก็ถามว่าอายุคุณเท่าไหร่อันนี้ประกาศถึงจักขูของคุณสืบเนื่องมาแค่ไหนโสตะคานเะชียวหากายะหัตยะนี่สืบเนื่องมานานเท่าไหร่ถ้าเกิดนานเท่าไหร่แปลว่าเหลือร้อยเท่านั้นอะไร อันน่นแะประกาศถึงอันนี้จะลักษณะของกรรมมชรูปว่าเออกรรมมชรูปเนี่ยนั้นถามอายุนี่โอถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยก็ถือว่าลึกซึ้งมากอายุเท่าไหร่แล้ว เ, เพราะว่าชีวิตนี้ดําเออสริระเนี่ยดำรงอยู่ด้วยชีวิตชีวิตกับอายุในอันเดียวกันไออุ่นคือเตโชธาที่เกิดจากกรรมและวิญญาณอยู่นะถ้าถามชีวิตอย่างเดียวก็รู้เข้าใจกันหมดเลยว่าเพราะชีวิตทั้งหลายมีความแตกทําลายเป็น ที่สุดเนี่ยนะมีความตายเป็นที่สุดนั้นการตามพิจารณาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเจริญอ น, นิจจาลักษณะชีวิตที่มีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะมีความแตกทําลายเป็นที่สุดสบายนักหรือสบายไหมดูแลกันจนตายเนี่ยนะถามว่าสบายหรื อ, อยังไงก็เหมือนกับว่าคุณดูแลแผลเลยนะรักษาแผลให้ดีจนกว่าแผลจะหมายว่าจะจนกว่าจะตัดแผลนี้ทิ้งเหรอไมีความสุขนักหรื อ, อยังไงดูแลแผลเนี่ยนะ ตาก็คือแผลหูก็คือแผลจมูกลินก้นกายก็เป็นแผลแผลสดล่ะนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าบริหารนี่บริหารยากมากนะดูแลก็ยากแล้วใครมีอำนาจจริงๆในสิ่งเหล่านี้บ้างไม่มีอำนาจแท้จริงเลยนะก็เรียกว่าพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ยกสติขึ้นเป็นประธานสติเป็นศีรษะนะสติเป็นหัวข้อเป็นประธาน แสดงเฉพาะการสืบสืบกันมานะสืบสืบกันมาของปัญญายกสติขึ้นเป็นหลักก็จริงแต่ปัญญาทำรรกิจปริญญาสามที่สัมปยุต ด, ด้วยสตินั้นนะสตินี้สัมปยุตกับปัญญาปัญญาก็พิจารณาาตะปริญญาตีระนาปัญญาปะหานะปริญญาในกายทั้งหลายในรู ป, ปขัน ชาสุภาษายตเนสุสังวุโตพระโยคีผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีสติปรากฏคือพิจารณากายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้แล้วปฏิเวทะไม่ใช่ปฏิเสธนะปฏิเวทะคือบรรลุบรรลุความเป็นไปแห่งปัญญ า, านะก็ตรัสรู้ใช่บรรลุแล้วเพราะเมื่อถ้าไม่เจริญนะไม่ใช่ไปเจริญนะถ้าเมื่อไม่เจริญกายานุปัสนาในทวารทั้งหก มีจักขคูทวารเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งผัสสะอภิชาเป็นต้นที่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นเมื่อปิดกั้นอภิชาเป็นต้นจึงเรียกว่าผู้สำรวมในทวารหมีจักขุทวารเป็นต้นด้วยคำนั้นแสดงถึงญาณสังวรผู้ที่เจริญกายานุปัสนาครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะคืออะไรหมายก็ว่าภายในเนี่ยที่เราลืมตาขึ้นเนี่ยการเห็นเนี่ยองประกอบเบื้องหลังของการเห็นคืออะไรบ้าง สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างจำแนกได้อย่างละเอียดเลยพิจารณาหูเนี่ยนะบเบื้องหลังของหูทั้งหมดรู้อย่างละเอียดและเสียงเบื้องหลังของเสียงที่ทําให้มากระทบหูเนี่อรู้อย่างตลอดรู้จมูกเบื้องหลังของจมูกแล้วก็รู้เบื้องหลังของกลิ่นทั้งหมดรู้ ร, รู้ลิ้นแล้วก็เบื้องหลังของรสทั้งหมดรู้กายทั้งหมดและรู้โพธาะที่มากระทบทั้งหมดมันถ้ารู้รูปรธรรมในส่วนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีก็สามารถที่จะสํารวมจากขูสัมผัส ไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานั์สั ม, ม, ร, มสรวมโสตสัมผัสไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานั์สัมรวมคานะสัมผัสไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานั์แปลว่าแปลเป็นไทยอีกรอบหนึ่งนะแปลว่าเห็นแล้วอะจะได้เลิกโลภเลิอกอะไรนะเลิกชอบและเลิกชัง <S <S ก็ทาไงเฉยเฉยใช่หมเอาเลิกชอบเลิกชังก็ทาตัวเฉยเเลย เอาคนละขันกันแล้วก็บอกว่าชอบชังเนี่ยเป็นชื่อของโลภะกับโทสะแต่หมายคือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความชอบคืออะโลภะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความชังก็คืออะโทสะแปลว่ามีปัญญามีปัญญาเจริญปัญญาเมื่อเห็นะนะสติสมถาวิปัสสนาตั้งไว้ไม่ให้มีการชอบและการชังหูได้ยินเสียงก็สรุป ตั้งไว้ด้วยอํนานาจสมมถะและวิปัสนาจมูกรู้กลิ่นก็ตั้งด้วยอํนานาจสมถะและวิปัสนารู้รสก็ตั้งด้วยอํนานาจสมถะและวิปัสนานึกคิดทั้งหลายก็ตั้งไว้ด้วยสมถะและวิปัสนาคนที่ทําได้อย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าอินทรีสังวรทัานอินทรีสังวรตัวเนี้สําเร็จด้วยสติและปัญญาทั้นคนที่ปิดกั้นห้ามไม่ให้บาปเกิดขึ้นไหลตามทวารหอัตถาบอกว่าเนี่ยเป็นญาณสังวรนะ ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆระวังไม่ให้บาปไหลเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะคนที่มีปัญญามากจึงจะห้ามบาปไหลเข้าทวารตาห้ามบาปไหลเข้าทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเห็นเรื่องที่น่ากโกรธมากแล้วไม่โกรธนี่ทําได้นี่เก่งมากเห็นสิ่งที่น่าชอบมากแล้วไม่โลภเนี่ยนะอันนี้เก่งแต่ก็ไม่ใช่งโง่นะไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่หูหนวกนะข้อปฏิบัติในศาสนานี้ไม่ใช่ทําตัวให้หู นวกตาบอดไม่รับรู้อะไรโง่เขาไม่เข้าใจอะไรแม้แต่เรื่องเดียวไม่ใช่ตรงกันข้ามรู้ทุกอย่างแล้วไม่โลภไม่โกรธเนี่ยทำได้ยังไงอันนี้คือความพิเศษของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาที่ห้ามอภิชาและโทมนัสห้ามความโลภความโกรธแสดงว่าเจริญความไม่โลภเจริญความไม่โกรธอนุภาพของปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะให้ทาอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆทาไม่ได้ คุณสมบัติของผู้ที่ไม่โกรธเนี่ยคืออันนะถ้าเป็นที่อื่นเนบอกว่าคุณสมบัติของผู้มีศีลเนี่ยไม่โกรธคุณสมบัติของผู้มีวิริยะสะติสมาธิจะไม่โลภปัญญานี่เป็นตัวจัดจัดแจงจัดสรรมันทํำยังไงจะเจริญไตรสิกขาในทวารตาจเจริญไตรสิกขาในทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจเนี่ยนมะันถ้าไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญอยากคิดว่าจะดับทุกข์ได้ โลภะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะต้องเจริญอะโลภะซึ่งเป็นค่าศึกของโลภะจริงๆจึงจะเพียงพอที่จะกำจัดความโลภได้ความโกรธที่เกิดขึ้นต้องเจริญอะโทสะที่เป็นปฏิปักษ์ที่เจริญอย่างเต็มที่จึงจะกำจัดโทสะได้บอกห้ามเฉยๆไม่เชื่อหรอกอยาเลยอย่าชอบเลยไม่ดีหรอกมันพอไหมอย่าไปชอบเยถ้าเอาทาไมอย่าไปเอาสิไม่ดี พอไหมไม่พออย่าโกรธสิอย่าโกรธทำใจเย็นๆอดทนเข้าไว้ทำใจให้สบายอย่าไปเครียดอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจยายายายาทำได้ไหมละ่ะทำได้ปนันนี้ไม่ต้องสอนพระไตรปิฎกหรอกง่ายๆนี่แหละแต่ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไอ้ความไม่โกรธเนี่ยนะที่จะในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธต้องเจริญเหตุแห่งความไม่โกรธอย่างบริบูรณ์จึงจะเลิกโกรธจริงๆ จะต้องเจริญความไม่โลภอย่างเต็มที่จึงจะละความโลภได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คนโง่ก็เจริญไม่ได้คนลุ่มหลงก็เจริญไม่ได้เนี่ยนะสัตตังพิกขุสมาหิโตเนี่ยนะสตตังพิขุสมาหิโตเนี่ยเป็นยังไงภิกษุผู้มีสติปรากฏแล้วอย่างนั้นเจริญสติให้กายานุปัสนาสติปฐานเกิดอย่างต่อเนื่อง สัมรวมแล้วในทวารทั้งปวงไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์เป็นอันมากนะไม่ปล่อยจิตไปตามอภิชาและโทมานต์เพราะอารมณ์ทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานต์ใช่ไหมสีทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานต์เสียงกลิ่นรสโภชภาพทั้งหลายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานต์เจริญอนุปัสนาที่เป็นกายานุปัสนาห้ามจิตไม่ให้เป็นไปกับอภิชาและโทมานต์ พิจารณาโดยอนิจจาลักษณะเป็นต้นลักษณะถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมความไม่เที่ยงทั้งากายภายในกายภายนอกเป็นต้นเจริญวิปัสนาอนนะเพราะวิวปัสสนาก็คือการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อยานแก่กล้าดําเนินไปอยู่ปัญญาก็โตขึ้นโตขึ้นเจริญเติบโตใช่ไหมเพราะว่าพิจารณาเท่าไหร่ปัญญาก็โตขึ้นเท่านั้นถ้าเลิกพิจารณาเมื่อไหร่ปัญญาเสื่อม โลกเขาบอกถ้าไม่คิดนะสมองมันจะเสื่อมเขาบอกงั้นต้องขยันคิดหน่อยทีสมองไม่เสื่อมไอ้คำว่าสมองของเขานี่ยยาของเขาคืออะไรไม่ทราบแต่ว่าทางธรรมะหมายถ้าขยันนึกเนี่ยนะถ้าขยันนึกขยันคลครวญเท่าไหร่ปัญญาก็จเจริญขึ้นเท่านั้นพระองค์ตรัสกับพระโปติละว่าปัญญานี้เกิดขึ้นเพราะการประกอบปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบหมายความว่าถ้าใคร้ครวญบ่อยๆปัญญาจ ะ, จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นถ้าเลิกคล้ครวญปัญญาเสื่อมนะนะปัญญานี่หมดสภาพเลย พันก็ต้องขยันพิจารณาถ้าพิจารณาจนปัญญาจเจริญเติบโตเครียกว่าแก่กล้ามันจะคุณภาพมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจิตก็ตั้งมั่นด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยวิปัสนาหมายคำว่าสติสมถวิปัสนาควบคู่กันไปอย่างนี้เท่าไหร่นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเท่านั้นสมาธิก็ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นไปอย่างสืบต่อไม่ขาดระยะสัตตังตงัวนี้คือไม่ขาดระยะสืบเนื่องกันไป ตั้งแต่ลำตั้งแต่ลำดับอนุโลมมายานจนถึงโคตรภูญานานี่นะมันวิปัสสนากรรมฐานที่ดําเนินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังที่กล่าวไปแล้วจนถึงโคตรภูญามีอะไรเป็นอารมณ์โคตรภูยามีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าดูตามลําดับภาพเนี่ยเป็นยังไงว่าพระพุทธเจ้าแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการทําปริญญาในกายคือรู ป, ปขันธ์ทั้งหมด แล้วห้ามระวังไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานต์เอาสิ่งเหล่านี้มาใคร่ครวญตามลำดับอนุปัสนาทั้งเจประการสืบเนื่องจนโคตรภูญาณเกิดขึ้นเพราะโคตรภูญานหลีกออกจากสังขารน่าเออเข้าไปหลีกออกจากอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมหลีกออกจากสังขาร น, นิมิตได้แล้วบทว่าชัญญานิพานามัตโนชัญญาณิปแปลว่ารู้นิพานามัตโนว่านิพานของตน ความว่านิพพานอันเป็นอสังขตะธาตุอสังขตะธาตุตัวนี้แหละนามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงนามาซึ่งความสุขที่แท้จริงนิพพานอันนี้เป็นอารมณ์อันดีเยี่ยมแก่มัรคยานและผลยานนิพพานอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นอัตตาได้โวหารได้บัญญัติว่าเป็นอัตตาทําไมจึงเรียกว่าเป็นอัตตาอัตตาแปลว่าของตนนนะนิพพานามัตตโนเนี่ยของตนทไมจึงเรียกว่าของตัว เพราะไม่เป็นอารมณ์ของปุถุชนอื่นปุถุชนเนี่ยใครเคยฝันเห็นนิพพานมั่งท่านบอกว่าไม่เป็นอารมณ์ของปุถุชนเนี่ยโดยที่สุดแม้แต่ความฝันแต่เพราะเป็นแผนกหนึ่งแห่งมักคยานและผลยานของพระอริยะทั้งหลายหมายคําว่านิพพานอันนี้เป็นอารมณ์ของมักคยานผลยานเพราะนิพพานคือนิโรสัจจะนิโรสัจจะพันพิจารณาจนแทงตลอดนิโรสัจจะ ด้วยอำนาจมัรคยานและนิพานอันนี้เป็นเช่นกับอัตตาที่เรียกว่าอัตโนของตนพึงรู้คือพึงทราบพระนิพานอธิบายว่าพึงรู้แจ้งคือพึงทําให้แจ้งด้วยมัรคยานและผลผลยานเรียกว่าแทงตลอดด้วยอำนาจมัรคยานและผลยานในนิพานของตนเพราะว่าผู้อื่นปฏิบัติให้แทงตลอดนิพานแทนกันได้ไหมนิพานของผู้ใดปฏิบัติแทงตลอดก็ชื่อว่าเป็นของ ผู้นั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ากินยาจนหายโรคอ่ะ น, นะความหายผู้ใดาหายโรคก็ชื่อว่าความสุขก็มีแก่ผู้นั้นนะพโมคขาลานะก็เหมือนกันเจริญพิเจริญกรรมฐานพิจารณากายเป็นอารมณ์จนบรรลุพระนิพพานพระนิพพานอันนั้นจะเรียกว่าของคนอื่นได้ไหม <Yeah. S 1> ก็เป็นของพระมหาโมคขาลานะของตนทีนี้ก็คือของพระมหาโมคขาลานะเพราะผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ได้ด้วยตนเองใช่ไม ปัจจตังอันนี้ถือว่าเป็นของตัวจริงๆอ่ะนะปัจจตะแปล ว, ว่าเป็นของเฉพาะตัวเป็นของส่วนตัวจริงๆนิพพานอันนี้ถือว่าอัตโนโตัวนี้ปแปล ว, ว่าส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับใครเป็นความสุขที่ผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงได้ด้วยคํานั้นแสดงถึงความที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีใจน้อมไปในนิพพานนิพพานไม่ใช่อัตตาแบบเดียร์ีที่เรียกว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยตนแบบเดียร์ีคิดไม่ใช่ แต่หมายคืาว่าผู้ใดพิจารณาจนแทงตลอดนิพพานก็ชื่อว่าเป็นของผู้นั้นเพราะผู้นั้นน้อมจิตไปในนิพพานมีใจน้อมไปในนิพพานก็ท ร, รมาคุณบทว่าโอปะนยัยโกโอปะนโกนี้แปลว่าน้อมมรรคผลให้เกิดในใจของตนใ น, ในที่หนึ่งในที่สองน้อมจิตใจของตนให้แทงตลอดพระนิพพานเรียกว่าโอปนัโก จริงอยู่พระเริยเจ้าทั้งหลายย่อมอยู่แม้ในเวลาที่อธิจิตเป็นไปอธิจิตก็คือสมะถะเนี่ยนะก็อยู่โดยภาวะที่น้อมโน้มโอนไปในนิพพานธาตุโดยส่วนเดียวเท่านั้นแม้แต่ตอนที่เจริญสมะถะวิปัสเจริญสมะถะจิตสงบอยู่นะจิตสงบทั้งที่เป็นมีบรรัญญัติเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าน้อมไปในนิพพานเพราะว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วใจมันจ ะ, ม, นจะมันจะเอาเรื่องไหม เอาคิดง่ายๆว่าวตอนที่เจริญสมถะเจริญเมตตาเจริญอะไรจิตตั้งมั่นกับตอนฟุ้งซ่านใจชนิดไหนน้อมไปในนิพพานง่ายกว่าพันแม้แต่เจริญสมถะเจริญอธิจิตตสิกขาเจริญมีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ช่างเถอะขณะนั้นก็ชื่อว่าโน้มไปในนิพพานเหมือนที่กล่าวว่าก็มีคนเดินทางไกลเดินทางไกลเดินทางร้อนแรมไปเรื่อยแดดมันก็ร้อนก็เลยนั่งพักนอนพักอยู่ในร่มไม้ ที่เย็นสบายกินไปนอนไปเพลินไปถามว่ามีใครมาถามว่าแกมานอนทำอะไรที่นี่เขาเรียกว่าคนพักผ่อนหรือเรียกคนเดินทางอ่ะ น, นะขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่โคนต้นไม้ในระหว่างทางเรียกว่าคนพักผ่อนหรือคนเดินทางก็ยังเรียกว่าคนเดินทางฉันใดผู้ที่เจริญสมถะใจสงบด้วยอุปจาระอัปปนาเป็นต้นขณะนั้นก็เรียกว่าโอนต่อ ตอพระนิพานเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเขาขี้เกียจไหมพวกนี้ดูที่มันอยู่สงบสงบมันขี้เกียจไม่ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าตะบะเดินตะลุยอย่างเดียวเลยนะคิดว่าจะสําเร็จหรือเชื่อไหมวิปัสสนาใกล้ต่ออะไรใกล้แต่ อ, อุทะจะสมถะใกล้ต่อทีนะมิทะวิปัสสนามากๆฟุ้งซ่านสมถะมากๆนิ่งเป็นหลับอั น, นะห พวกนี้มันก็ใกล้ๆกันเพราะเอาอยัางไงให้มันพอดีก็แล้วกันก็ในที่นี้สติเป็นไปในกายปรากฏแก่ภิกษุใดหมายคือว่าสติที่พิจารณารูปประคันอย่างแจ่มแจ้งแก่ภิกษุใดเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปก่อนนะั้นก็คือโดยอสุภะเป็นต้นภิกษุนั้นสํารวมแล้วในภาษายตนะหกก็ไม่ให้บาปอภิชาโทมนัสไหลเข้ามาตามทาวารต่างๆต่อจากนั้นจิตก็ตั้งมั่นเนือง นนะตั้งมั่นด้วยอะไรด้วยสมถาวิปัสนาเนี่ยนะรู้นิพพานของตนด้วยการกระทําให้ประจักษ์แก่ตนพึงทราบการเชื่อเอ่เชืมบทแห่งคาถาอย่างนี้ด้วยประการชนีดคิดง่ายๆว่าภิกษุเข้าไปตั้งกายยคตาสติอันนี้ก็คือกายานุปัสนาสติปทานใช่มีการเจริญกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยคือการห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นที่ไหลเข้าแห่งอภิชาและโทมนัท อ บ, บรมส ม, มถะเป็นไปอย่างเรื่อยๆเพราะข้างบนเนี่ยกายคตาตรงนั้นเป็นวิปัสนาอยู่แล้วจิตตั้งมั่นก็เป็นส ม, มถะถ้าส ม, มถะวิปัสนาดําเนินควบคู่กันไปห้ามไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาเนี่ยมันจะไม่บรรลุนิพพานของตนเลยหรือใช่ไหมก็คือสรุปว่าถ้าทําตามนี้ก็จักแทงตลอดนิพพานของตนอันนี้ขอปฏิบัติใครอยากได้คาถาสั้นๆเอาไปปฏิบัติเอาไปตามนี้แหละพระโมคคลลานะท่านทาอย่างนี้อ่าเอาสิ ใครอยากได้ย่อๆนะหนทางลัดๆอะ่ะบอกง่ายๆได้ไหมบอกได้นี่ไงเข้าไปตั้งกายยคตาสติเอาไว้สำรวมแล้วในภาษา ย, ยตนาหกมีจิตตั้งมั่นเนืองๆก็รู้นิพพานของตัวเองนั่นแหละทำไปเหอะง่ายมากสอนอ่ะนะอ่านตามไม่ยากทำมันยากพร <c oughs> ะผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมราชาแสดงทางเป็นเครื่องนำออกของภิกษุรูปหนึ่งอันนี้ ทางเครื่องนําออกก็อะไรนิยานิกระรมใชนิยานิกระทามก็คืออริยมรรคอ่ะ น, นะโดยแนวทางมุกแนวทางหนทางคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจนถึงเป็นพระอรหันด้วยประการชนีโอ้เป็นการแสดงเท่านี้บทเนี่ยประกาศวิธีรัด ล, ดลดัสั้นๆให้ถึงเป็นพระอรหรนันเลยหมายคําว่าบอกบอกสมมุติเหมือนแบบบอกวิธีไปเชียงใหม่ง่าย ง, ายงายสั้นๆเนี่ยแล้วเชียงใหม่มันจะอยู่ใกล้ขึ้นใช่ไหม อา้าวก็บอกง่ายๆสั้นๆนี่บอกว่เาเนี่ยเชียงใหม่นะไปไม่ยากละคุณขึ้นไปตรงนี้แล้วลงตรงนั้นขึ้นตรงนั้นแล้วถึงละบอกง่ายๆสั้นๆอย่างเงี้ยแปลว่าเชียงใหม่มันใกล้เข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ฉันใดบอกข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพานบอกลัดลัดง่ายๆสั้นๆเนี่ยจะปฏิบัติถึงหรือไม่ถึงมันอยู่ที่องค์ประกอบอย่างอื่นนิพพานก็ไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้แบบแบบอะไรหรอกเนี่ยนะเดี๋ยบางคนก็ว่าโอ้ยทําเท่านี้ก็บรรลุแล้วเนี่ยลองไปทําดูเถอดเนี่ยนะกลับไปบ้านเนี่ยเอาเลย อีกอย่างหนึ่งนในที่สองต่อไปว่าด้วยบทว่าสติกายคตาอุปทิตานี้แสดงถึงกายานุปัสนาสติปทานฉะสุภาษายตเนสุสังบุโตชื่อว่าภาษายตนะเพราะเป็นที่มาต่อคือเป็นเหตุแห่งภาษะในภาษายตนะเหล่านั้นภาษายตนะนี้เป็นชื่อของบ่บ่คือตาอ น, น, นจิตเจตสิกมันซับออกมาใช่ไ เรียกว่าบ่อน้ําซับอ่ะนะตาเนี่ยมันเป็นบ่อน้ํำซับไหลออกของจิตและเจตสิกหูก็เป็นบ่อน้ําซับไหลออกมาของจิตและเจตสิกเนี่ยนะจมูกลิ้นกายใจก็ในยะเดียวกันเป็นที่เกิดแห่งภาษาอ่ะนะเพราะฉะนั้นภาษายตนะจึงเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะสํารวมนี่สํารวมยังไงสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเชื่อว่าสํารวมแล้วเพราะตัณหาเป็นต้นไม่เป็นไปในเวทนาห มีจกักขูสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นอันมีภาษะเป็นเหตุคือเกิดขึ้นเพราะภาษะเป็นปัจจัยด้วยคำนั้นแสดงถึงเวทนานุปัสนาสติปทานอนนะคำว่ากายคตาสติเนี่ยนะคืออะไรคือการพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกาอย่างละเอียดทีท่วนเสร็จแล้วบอกว่าชาโสภาษายตเนสซสังวุโตปกติตาเนี่ยนะอาศัยจากโขกับโรคเกิดอะไร จกคู่วิญญาณสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนารอบรู้เวทนาจนไม่ให้ตันหามันเกิดนะรู้เวทนาแค่ไหนจนกว่าเวทนาเหล่านั้นเลิกเป็นปัจจัยแห่งตันหาเรียกว่าชาโซภาษายะตะเนโซสังธธอนะุตโตทำปริญญาในหูสัดบริบูรณ์เรียกว่า กายคตาสติอุปัติตาเนี่ยนะเมื่อพิจารณาหูจนอย่างดีเยี่ยมหูกับอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นภาษะภาษ ะ, าษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนารอบรู้ในเวทนาจนไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งตันหาอันนะั้นทวารอื่นก็ในยะเดียวกันเยนะพิจารณาในโลกของจมูกจนเกลี้ยงจนสมบูรณ์ครบถ้วนนะนะอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิด คณนะวิญญาณธรรมสมอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษ ะ, ะ, ะ, ะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนารอบรู้ในเวทนาจนไม่เป็นปัจจัยแห่งตันหาเพราะทวารหเอ่อขออภัยเวทนาที่เกิดจากทวารหเวทนาที่เกิดจากตาไม่ให้เป็นเวทนาที่เป็นปัจจัยแห่งตันหาเวทนาทวารหูก็ไม่ให้เกิดตันหาทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เลิกให้เป็นที่ตั้งแห่งตันหาสักทีหนึ่งอันนี้ ถามว่าถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะไม่พิจารณาเวทนานุปัสนาไม่เจริญอนุปัสนาเจ็ดในเวทนาอย่างสมบูรณ์เนี่ยอยากเดานะอยากคาดอยากกะเลยว่าจะเลิกเกิดตัณหาเพราะว่าเวทนาอันนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ของกายานุปัสนาขอเป็นอารมณ์ของอนุปัสนาเจ็ดที่เรียกวเวทนานุปัสนาจนครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละจึงจะ ตัดเชื้อแห่งตันหาในทวารหได้ดังนั้นคนที่สำรวมทวารหได้ดีเนี่ยคือคนที่รอบรู้เวทนาในทวารหเป็นอย่างดีที่สําคัญเนี่ยนะถ้าอย่างในชีวิตจริงเราเนี่ยรับอารมณ์อะไรเนี่ยเราสังเกตเวทนาที่เกิดจากอารมณ์นั้นๆได้ไหมไนะเพราะเวทนาเนี่ยเป็นที่ไหลเวทนาเนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตของอารมณ์ถ้าอารมณ์ทั้งหลายเป็นอิทธารมสุขเวทนา ถ้าอารมณ์เนี่ยนะเป็นไม่ดีเลยเป็นอารมณ์ที่เสียหายเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาผลผลิตของอารมณ์นั้นคือทุกขเวทนาถ้าอารมณ์ทั่วทไปก็เป็นที่ตั้งแหง่งอุเบกขาเฉยๆทำไงคะนี่อ น, น้อารมณ์ที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเห็นไอ้ตัวความสุขอันนั้นแหละเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา <e <van> ก็พิจารณาไอ้ทุกขเวทนานี้เป็นลูกศรเป็นดังลูกศร อ, อารมณ์ บาลกลางเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาพิจารณาไอตัวอุเบกขานั่นแหละเป็นเป็นของไม่เที่ยง น, นะต้องรู้อารมณ์เป็นอย่างดีใช่รู้อารมณ์อารมณ์นั้นสะท้อนให้เกิดเวทนาใดแล้วพิจารณาเวทนานั้นต่ อ, อ น, นะด้วยอนุปัสนาเจ คือการเจริญเวทนานุปสนานะครับ เ, เมื่อพิจารณาเวทนาเนี่ยมสมมุติว่าเจริญแล้วได้พิปัสนาญาณขั้นสูงนี่นะฮะเวทนานั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาหรือไม่ถ้าสมมุติว่ายังเป็นอยู่เพราะว่ายังอยู่ในโลกียะอยู่แต่ถ้าไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยเป็นเวทนาในระดับไหน ระดับโลกุตระื อ, อวิธีคิดเนี่ยคิดแบบนี้ว่าคนที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเอาเอ า, เอาแบบตัวอย่างรุ่นมาตรฐานเนี่ยหมายคําว่าทุกอย่างในใ น, ในสัาวะทวารตาเลยเนะี่ยตาเนี่ยท่านรอบรู้หมดเลยว่ามีองค์ประกอบเกิดจากเหตุจากปัจจัยอะไรตามายังไงเป็นไปยังไงวิธีสร้างตาเป็นยังไงวิธีดับตาเป็นยังไงเนี่รู้หมดเลย เมื่อรอบรู้ทั้งอั ส, สาธาของสิ่งเหล่านี้รู้โทษของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีอนะรู้โทษทีนี้อาศัยตาเนี่ยจักขู่สัมผัสทุกทวารเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแล้วเจริญเวทนาเนี่ยพิจารณาเวทนาเนี่ยจนสืบเนื่องให้อริยมรรคเกิดเลยนะคือจะไม่ไม่เปิดโอกาสให้ตัณหาเกิดอีกต่อไปอนะอันนี้คือกลุ่มในคาถานี้แต่ถ้าเป็นถามว่าทั่วทไปแหะทั่วๆ ไ, ไปก็ยังไม่เอาเป็นประมาณ นะถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยแม้แต่เวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นสมถะวิปัสสนาก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและมานะอีกอยู่ดีถ้าไม่บรรลุมรรคเนี่ยนะแต่การแสดงอันนี้เนี่ยจะไม่เอาประเภทคนที่บรรลุชา้ชาๆมาเป็นประมาณเอาไอ้พวกที่สามารถพิจารณาตามนี้แล้วบรรลุได้เลยเอาเอาเอากลุ่มนั้นเป็นเป็นเป็นหลักนะส่วนผู้ที่ยังทําไม่ได้ก็ไปทําอย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันถ้าทําไม่ได้คุณก็ไม่พ้นทุกข์เหมงอนกัน ก็ถ้าลงยกตัวอย่างถืว่าเวทนาในวิปัสสนาสูงสูงแล้วเป็นปัญหาในลักษณะไหนก็เป็นสองอย่างนะเป็นเป็นปัจจัยแห่งตัญหาในลักษณะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาบางอย่างได้เป็นที่ตั้งแห่งมานะได้เป็นที่ตั้งแห่งทิฐิได้ในวิปัสสโนปกกิเลสสิบ มีอยู่ข้อหนึ่งคือความสุขนะนะความสุขที่เกิดจากสมถะวิปัสสนาสุขเป็นต้นเนี่ยความสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาทำให้บุคคลหลายคนเข้าใจผิดว่านี่เป็นมรรคผลเนี่ยนะนี่เป็นเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยนะมันก็สามารถเวทนาในการเจริญวิปัสสนาก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาได้นะนะโดยที่สุดแม้แต่ชั้นนั้นหรือหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่บรรลุล่ะ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่บรรลุสิ่งนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะและทิฐิอยู่ดีถ้าเจริญไปแล้วไม่ตรัสรู้เนี่ยนะก็เพราะว่ายังสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเรานะเหมือนอย่างว่าผู้ที่เดินทางด้วยเรือเนี่ยนะถ้ายังไม่ขึ้นบกยังไม่ยังไม่ขึ้นบกก็ยังเบกเรือเกาะเรือยึดเรืออยู่นั่นแหละ ผู้ที่เจริญวิปัสสนาถ้ายังไม่แทงตลอดพระนิพพานก็ยังยินดีในสังขารธรรมอยู่เพียงนั้นผ้ารหันทั้งหลา ย, เ น, ยเนื่องจากท่านมีสิ่งที่ยินดีที่มันดีกว่าสังขารท่านเลยตัดชันนราคะในสังขารพระารหันเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านหมดตันหาแล้วท่านเลิกยินดีเลิกอะไรไม่ท่านไม่ยินดีในสังขารแต่ท่านยินดีใน น, นิพพานนิพพานนีิเป็นอารมนาที่ปฏิแห่งอริยมรรคอริยผล เป็นที่ยินดียิ่งของพระอรหันต์เป็นที่ยินดียิ่งของพระอริยเจ้าท่านยินดีแต่ยินดีด้วยอำนาจสัพทินรีเป็นต้นไม่ใช่ยินดีด้วยอำนาจฉันทราคะคือมีสิ่งที่มันน่ายินดีมากกว่าดีกว่าเยี่ยมกว่าเลยเลิกยินดีไอสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะพระาอรหันต์ที่เจริญอนุปัสนาเนี่ยเนื่องจากท่านประสบสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขที่บริสุทธิ์สุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่าที่สมเห็นสตังคนอื่นเขาตกอยู่สองสบาทเนี่ยนะเป็นสตังที่เราถ้าเอาปักเขาตีมือเป็นต้นเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าโอ้ยข้างหน้ามีรอไว้เป็นล้านๆโดยไปเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่มีโทษไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะเขาก็เลยไม่สนใจไอ้บาทสองบาทเหล่านี้เพื่อจะไปเอาอันนะสิ่งที่มันไม่มีโทษเงินเป็นล้านๆอันนั้นโดยที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาไปใช้ได้ตา ม, ตา ม, ตามใจปรารถนาได้คือมีสิ่งที่ดีกว่าฉันใด ผู้ที่ตัดฉันทราคะในขันห้าได้เนื่องจากประสบสิ่งที่สงบที่ประนีตที่ยิ่งกว่าคือพระนิพพานฉันนั้ น, นทวนอีกครั้งหนึ่งนะคาว่ากายคตาสติอุปติตาเป็นชื่อของกายานุปัสสนาฉะสุภสายาตเนสุสังวุโตเป็นชื่อของเวทนานุปัสสนาต่อไปเหลื อ, เห ล, อหลเหลือกี่เหลอกี่อยาเหลือจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาใช่ บทว่าสะตะตังพิกุสมาหิโตความว่าพิกษุเชื่อว่าตั้งมั่นติดต่อตลอดการเป็นเนืองนิดไม่มีระหว่างขั้นหมายว่าสมถะอนากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาที่สืบเนื่องไม่มีอะไรมาขั้นเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีความฟุง้งซ่านพิกษุนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านเพราะถึงที่สุดด้วยสติปัฏฐานภาวนาโดยประการทั้งปวง จริงอยู่เมื่อเธอกําหนดพิจารณาได้อย่างเด็ดขาดทีเดียวในอุปาทานขันห้าพิจารณาอย่างไงแม้แต่ทั้งเจริญเนี่ยประเภทอดีตการเป็นต้นก็เอาขันทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ลกลมาพิจารณาจนครบถ้วนนี่เรียกว่าเป็นสติปทานที่เหลือก็คือสัตตังภิขุสมาหิโตเจริญสติปฐาน ทั้งสี่ประการในอารมณ์ทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรวมทั้งภายในและภายนอกอยาาละเอียดพิจารณาหมดชัญญานิพานามัตโนถ้าทำได้ตามนั้นนะเป็นไงถ้าเจริญได้ตามนั้นจริงชัญญานิพานามัตโนความว่าภิกษุผู้ทำลายกิเลสถึงที่สุดแห่งสติปัฏฐานภาวนาทั้งสี่ดรงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ตนเองนั่นแหละเพิงรู้กิเลสนิพาน คือรู้การดับกิเลส ข, ของตนด้วยอํานาจปัจจเวคขณะยานอันถ้าเจริญสติปัฏฐานจนบริบูรณ์กําจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงปัจจเวคขณะยานก็เกิดขึ้นหรือว่าสังขารทุกชนิดเลิกเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปปียรูปสาตรูปเลิกเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสุขเวทนาอุเบขาเวทนาเลิกเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปอะปียรูปอะสารูปทุกขเวทนาเลิกเป็นที่ตั้งแห่ง โทสะอีกต่อไปสุขเวทนาอุเบขาเวทนาเลิกเป็นที่ตั้งแห่งมานะสังขารในภูมิสามเลิกเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิเลิกสังขารในภูมิสามเลิกเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาสังขารในภูมิสามเลิกเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเพราะรู้ว่าสังขารทุกชนิดไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะปจเวทขณะยาณเกิดขึ้นก็พิจารณาว่าไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะอีกแล้ว เปรียบเหมือนอย่างว่าไปในที่ที่มันไฟไหม้เคลียไปยังไงก็เจอแต่ขี้เท่าพอมองเห็นว่าจะเหลือเอาไปทําเครื่องเรือนได้สักชิ้นหนึ่งไหมสมมติว่ามีใครคนหนึ่งมีไฟไหม้กระท่อมกระท่อมนี่นะไฟจนเหลือแต่ขี้เท่าเหลือแต่ขี้ทันนี่นะมองเห็นพอที่จะเอาไปทําเสาทําอะไรได้สักชิ้นหนึ่งไหมก็ยังหมดเลยไม่มีเหลือเลยรชั้นใดก็ดี ผู้ที่พิจารณาจนาว่าดินแดนแห่งวัตตะในภูมิสามพิจารณาจนว่าทุกอย่างไม่เป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคาอีกแล้วเหมือนอย่างว่าใครที่เอาเมล็ดผลไม้ไปคั่วซะจนสุกหมดเกลี้ยงเลยนะใครควรดูว่าพอมีเม็ดไหนบ้างไหมพอที่จะเอาไปปลูกขึ้นเ อ, นะ เ, อเม็ดเมดถั่วถั่วเหลืองเอ่อถั่วเขียวก็ได้ถั่วลิสงก็ได้มาคั่วซะจนแล้วก็กระท่อบเปลือกทิ้งให้หมดเลยนะคั่วเสร็จแล้วเนี่ย มานั่งคัดเมล็ดพันธุ์ดูว่าไอตัวไหนเอาไปปลูกขึ้นมีบ้างไหมสักชิ้นหนึ่งไม่มีฉันใดสังขารทุกชนิดของพารยะทั้งหลายเลิกเป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิเลิกเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในพบใหม่ก็เลยรู้ว่าทุกอย่างไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปก็รู้ว่ารู้การดับกิเลสได้เป็นของเฉพาะตัวเนี่ยนะไอการดับอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นของเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าทําได้ก็เป็นของพระพุทธเจ้าไป อันนะั้นภาหารทั่วไปทําได้ก็เป็นของท่านเหล่านั้นไปของเราที่เหลือก็ก็จักรู้ด้วยตนใช่ไหมจักรู้ด้วยเรี่ยวแรงของตนนิพพานนมัตโนเนี่ยนะฮะถ้าจะแปลเฉพาะตนจะจะจะตรงกับของตนไหมครัอัตโนโตัวนั้นเนี่ยแปลว่าของตนนิพพานนมัตโนก็คือนิพพานของตัวเอง นิพพานตัวแรกหมายถึง อ, อารมณ์นะคือนิโรธสัจจะเนี่ยนิโรธสัจจะนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติจนแทงตลอดนิโรธสัจจะอันนี้นิโรธสัจจะตัวนั้นชื่อว่าเป็นของตนนัยยะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เครียกว่ารู้การดับกิเลส ข, ของตนนิพพานตัวนั้นอะ่ะแปลว่ากิเลสนิพพานก็คือการดับกิเลส ข, ของตนก็นิพพานอีกนั่นแหละนิโรธสัจจะนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งการ ดับกิเลสเมื่อรู้นิโรสัจจะก็ถือว่าเป็นอันดับกิเลสได้ในที่สหน้าสา0สศว่าอีกอย่างหนึ่งบทว่าสติกายคตาอุปธิตาทรงแสดงถึงความที่พระเถระคือใครพระโมคคลานะเนี่ยเป็นผู้ถึงความไพยบูร์ด้วยสติด้วยการแสดงถึงการกำหนดรู้ตามสภาวะแห่งกายของตนและของคนอื่น ผู้ที่ภัยบู์ด้วยสติจริงๆเนี่ยพิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกโดยไม่มีเหลือด้วยบทว่าฉะโสภาษายะตะเนโสสังวุโตนี้แสดงถึงการที่พระโมคคัลลานเถระถึงความภัยบู์ด้วยปัญญาอันประกาศถึงสัมปชัญญะด้วยสา ม, มารถแห่งการอยู่ด้วยความสงบเป็นต้นอันแสดงถึงความสำรวมอย่าง แท้จริงในทวารทั้งหกมีจากขู่ทวารดงั้นคนที่สำรวมทวาร6ได้จริงคือคนที่มีปัญญา น, นะมีสัมปชัญญะทั้ง4ประการเต็มเตี่ยมทุกทวาร น, นั่นแหละเรียกว่าคนที่สำรวมทวาร6จริงโดยบอว่าสะัตะตังพิขคสมาหิโตทรงสแสดงอนุปปภพวิหารสมาบัติ9โดยสแสดงถึงความเป็นผู้มากด้วยสมาบัตินะนะถ้าสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยปัญญานะ จะเข้าอนุปปภพวิหารสมาบัติก้าวทที่เป็นเครื่องอยู่โดยลําดับไม่ยากเลยใช่ไหมเข้าปฐมฌ า, านออกจากปฐมฌ า, านเข้าทุติยฌานเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเข้านิโรสมาบัติด้วยนั่นแหละก็ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้นะเป็นอยู่คือสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะเข้าอนุปปภพวิหารสมาบัติเข้าตั้งแต่ปฐมฌ า, านจนถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะได้อย่างนี้แหละรู้นิพพานของตน คือรู้คือคิดถึงอนุปาทิเสสนิพานของตนอย่างเดียวเท่านั้นนะนะรู้เลยว่าจะสิ้นชีวิตลงเมื่อไหร่จบที่ไหนเมื่อไรก็ถือว่ารอวันรอวันไหนรอวันรับค่าจ้างอนนรอวันรับค่าจ้างนะนะเรอรับรางวัลนั้นเพราะไม่มีกรณีกิจอันยิ่งเพราะทากิจ16เสร็จแล้วอธิบายว่า แม้กิจที่เธอเพึงจะคิดก็ไม่มีคิดทําอะไรก็ไม่มีคิดจะต้องอะไรที่ยังไม่เจริญก็เจริญหมดแล้วก็ทําจบหมดแล้วนะะวันชีวิตของท่านเหล่านั้นก็คือท่านถามว่าท่านดํารงชีวิตอยู่ทําไมอาหูนยโยปาหูนยโยทักขินนโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุลยักเขตตังโลกัสาตินั่นคือที่เหลือของท่านมีอยู่เท่านั้นจริงๆนะๆนะเพื่อจะได้เป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะนะไม่ที่ที่เป็นนาที่ดีจริงๆอ่ะนะ เป็นนาบุญของโลกนะเขาจะได้ต้อนรับเชื้อเชิญการกราบไหว้ของเขาก็เป็นเหตุให้เขาตระกูลสูงการถวายทานของเขาก็เป็นเหตุให้เขาเจริญนะเจริญด้วยพวกข้ศัพย์การที่เขาเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานท่านเหล่านี้จึงดํารงอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกท่านก็เลยเป็นนาบุญของโลกโดยที่สุดแม้แต่กราบไหว้อย่างใจให้เลื่อมใสก็ ถึงความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะถ้ายังใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นแต่ว่าไม่ง่ายนะที่จะเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นนึกถึงภาษาริบุตรแล้วปีติเล ย, ยนีน่บ่อยไหมอย่างนี้ท่านนึกถึงอะไรนะสมมติว่านึกถึงว่าเขาเอาผ้ามาฝากเรากันนึกถึงภาษาริบุตรอันไหนน่าดีใจกว่ากันลองวัดดูนะว่าปีติไหนมากกว่ากัน ได้ฟังข่าวดีทั่วทไปกับได้ฟังว่าจะไปอะไรนะนึกถึงพระโมกขาลานะและไหนดีใจกว่ากันบอกได้เวลาพักแล้วได้เวลาอาหารแล้วกับนึกถึงว่ามาพระโมคคลานะเนี่ยสองคำเนี่ยอะไรจะอา ร, รมณนาที่ปฏิกว่ากันนี่ยก็วัดดูได้เลยนะว่าแนวโน้มเราไปไหน <c oughs> วิธีสังเกตความเจริญและความเสื่อมแนวโน้มจะเจริญหรือจะเสื่อมนะ